กิเลสกวงขวังอุปาทิฏฐถ้าชำระคือปล่อยวางอุปอทานคือตัวงเราได้แล้วมันก็จะหมดเรื่องอยนะ่างนั้นแต่ยังสอนทั้งเรื่องสติปัฏฐานมีนากายสติวกายพิจารณาเวทนาสต่วเวทนาพิจารณาจิตสติวจิตพิจารณาธรรมสติวธรรมไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขา ก็ลองคิดดีคิดดูดีๆสิเดี๋ยวนี้เราถือตัวของเราเราถือว่าเป็นคนว่าตัวของเราถือมานานแสนนานมาได้ถูกที่ไหนเจ็บๆนิดๆหน่อยๆแต่ลรีบกัดก็กูเจ็บกูคันอะไรกันท่านน้องมันกูกว่ทั้งนั้นมันทิ้งไม่ลงมันปล่อยไม่ได้มันใจของตัวของกูทั้งหมดแต่แท้ที่จริงมันใจของเรา หากมีปัญหามันสลับซับซ้อนไม่ใช่ของเราธรรมะยังรู้สึกคือภาสามันสลับรู้สึกไม่ใช่เราเป็นคนไปรู้สึกภาษารู้สึกต่างหากนี่นเกิดความรู้สึ ก, กตัวภาษาเท่านั้นถ้าภาษาเน้นมึนชาหรือว่าภาษาเน้นตายเสียมันก็ไม่มีความรู้สึกเหมือนกันอันนี้ปภาสาทมันเกี่ยวถึงเรื่องจิต เมื่อมีภาสามันก็มีจิตเมื่อมีจิตมันก็มีประสาทมีแต่ภาสาทไม่ได้จิตอย่างเดียวนั่นก็ใช้งานไม่ได้คือคนตายถ้ามีแต่จิตไม่มีภาษาทมันก็เหมือนพวกเทพทั้งหลายพวกพูดผีวิสัตย์ไม่จะรู้จักเก็บจักรวัวอะไรมันมีแต่จิตมันไม่มีปภาษาทเยนันะเมื่อมีปภาสาทจะมีจิต ไม่ได้คยเกิดความรู้เมื่อสัมภาษกับอะไรกับรู้นั้นดูนี่อะไรต่างๆแต่ที่จริงไม่ใช่ของเราเราไม่เห็นตัวมันซ้ำตัวเจ็บไม่ทราบตัวเป็นไงแต่เราก็ถือว่าเจ็บอยู่ลําไปตัวไม่สบายไม่ทราบตัวเป็นไงแต่แล้วก็ถือเป็นของเราอยู่ลําไปเนี่ยอพวกเราที่ไม่เข้าใจมันมาอยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่รีลับเปิดเผยตร ง, ต ง, ตงนี่แหละ ไปแล้วพิจารณาไม่เห็นพิจารณาไม่ถึงพิจารณาถึงเรื่องหลักขรามฐานที่วันนี้จะตัวไม่ได้มันถือก็ถือตัวตัวนี้แ่ะมันวางก็วางตัวนี้แหะนึ่ยมาพูดถึงอันนี้ก็เรื่องพูดถึงอัตจาระาตาเข้าไปเลย อนัตตาเขาโดยมากคนกันพูดกันทั้งเรื่องของไม่มีเรียกว่าอนัตตาแท้ที่จริงไม่ใช่ของไม่มีของมีของมีอยู่แต่ว่าไม่มีสาระคือไม่ใช่ของเราก็อย่างอธิบายมานี้มันนป็นหน้าที่มันทำตามหน้าที่ของมันอยู่ไม่ใช่ของเราจึงเรียกว่าอนัตตา จะเป็นว่าเด็กกายภายนอกเรือยใจของเราถ้าหากเรารักษาไม่อยู่คุ้มครองไม่ได้มันก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันใจนี่รักษาไม่ได้คุ้มครองไม่ได้ไม่ใช่ของเราเหมือนกันถ้าหากเราเถือไม่ใช่ของเราแล้วปล่อยลองดูดีสบายเลยไอ้นี่ถ้าไม่เราคุ้มครองไม่อยู่รักษาไว้ไม่ได้ยิ่งยุ่งใหญ่ยิ่งอยากจก้ให้มันอยู่อย่างนี้มันจะงบเอาเลยยิ่งยุ่งใหญ่ ถ้าไม่ใช่ของเราดอกออมันไม่จะไปไหนก็ไปนั่เลยปล่อยไม่ยึดไม่ถือมันมันเลยหายเนี่ยมันสงบไม่รู้ดวงกัน น, นี้ไม่ถือเอาของไม่ใช่เรามาเป็นเราของอนัตตาเป็นอัตตามันยิงค่อเป็นเรื่องยุ่งเป็นใหญ่ถือมากก็ยุ่งมากถือน้อยก็ยึงน้อยพุทธศาสนาของดีมีค่า เราเป็นชาวพุทธเคารพและนับถือพุทธศาสนาแต่ไม่รู้จักใช่จึงมาเองคุณข้าของพุทธศาสนาที่แท้จริงมันเข้าตำราโบราณท่านว่าคนเฝ้าสวนมะม่วงแต่ไม่ได้กินมะม่วงหรือไม่ฉะนั้นมดแดงเฝ้ามะม่วงแต่ไม่ได้กินมะม่วง ท่านวพ่อามาเปรียบไว้หลายอย่างหลายเรื่องเหมือนกับกบเฝ้าขอบัวไม่รู้จักรสกลิ่นของดอกบัวหรือไม่เช่นนั้นท่านก็เปรียบพพ่อมาเหมือนกับว่าทัาพีตักแงกงจึงว่าทั้งเฮียนวดัดไม่รู้จักรสของแกงพุทธศาสนาเป็นของดี มีค่ามหาศาลสามารถที่จะนำไปใช้ได้ทุกๆุกวิธีทางแต่คนเราเข้าใจกันโดยส่วนมากว่าการศึกษาศาสนาไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้จริงอยู่วิชาบางแขนงเขาสอนวิชาอาชีพโดยเฉพาะเช่นการเกษตรการบัญชี อะไรต่างกนดีเถอะเขาสอนหลักเฉพาะเลขคณิตคิดคํานวณนั่น น, นี่อะไรต่างแต่ให้คิดดูอีกทีหนึ่งเขาเรียนวิชาทั้งหลายนั้นอาศัยอะไรเขายังเคยเรียนสําเร็จรู้ล่วงไปได้ไม่ใช่ความเพียนหรือไม่ใช่ความพยายามหรือไม่ใช่ความเลื่อมใสความศรัทธาเชื่อมั่นเลย ถ้าไม่ขยันหมั่นเพียรพยายามมันก็ไม่สําเร็จร้องให้ขาดแต่ทึ้งความขยันหมั่นเพียรท้อย่างเดียวโรงเรียนนักครูวิชาจะดีแสนดีไม่สําเร็จประโยชน์สักอย่างเดียวความเพียรในพระเจ้าตรัสเทศนาวิริยะวิริเยนะทุกขมเจติพ้นทุกขได้เพราะความเพียร คือเวลาเราเรียนหนังสือนะกำลังเรียนหนังสือหรือประกอบอาชีพใดก็ตามเถอะมันต้องลำบากาการกันเรียกว่าทุกข์ทรมานยังเหมือนกับเรานอนอยู่เฉยๆแต่ว่าเราขยายามใช้ความเพียรคือมีความทะเยอทะยานอยากได้วิชา น, านั้นๆอยากได้อาชีพนั้นๆอยากให้ การงานรู้ล่วงสําเร็จไปได้เรามีความเชื่อมั่นในใจอย่างนี้ว่าทําอย่างนี้ต้องสําเร็จแน่นอนแล้วก็ข ย, ายาันพยายามบากบั่นขยันไม่ท้อถอยภาละหรือการงานอาชีพอะนั้นก็สําเร็จรู้ล่วงไปได้นั่นเราเรียกว่าเอาธรรมะ ท, ทั้งสองของพุทธเจ้ามาใช้ โดยเชื่อมรู้ตัวนอกจากนั้นอีกท่างยังใช้ทั้งเรื่องสติสามประชันยะเป็นเครื่องประกอบทุกอาชีพทุกทุกวิธีทางจะทำอะไรก็ตามเถอะถ้าขาดสติทั้งๆผืบผื้อจะแล้วงานก็ไม่สาเร็จรู้ร่วง สัมปชัญญะการรู้ตัวถ้าไม่มีความรู้สึกตัวอยู่สียแล้วทำเมาเมามืนมนไปก็ไม่สำเร็จตรืล่วงไปได้เหมือนกันนี้ยริงว่าพุทธศาสนานะเป็นของมีค่ามากเพียงแค่นี้เรียกว่าส่วนตื้นที่เอามาใช้ทั่วๆกันไป <c oughs> อันนี้พูดถึงเรื่อง พุทธศาสนาที่จะบำบัดทุกโศกหรือแก้โลกไขยโดยเฉพาะะครานี่ศาสนาพระองค์ตรัสเทศนาพระมหาเปียยมกัญญาโอสถติดยาขนาดหนึ่งคนเราเดือดร้อนกลุ้มใจถ้าหากเรามาเอาทรรมคือคำสองเพื่อเจ้า เข้าไปใช่คือไปรับประทานด้วยการพิจารณาทั้งเรื่องสิ่งที่เราทุกข์ที่เราโศกที่เรากลุกใจเพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นไม่สมปรารถนาเพราะสิ่งนั้นไม่สมประสงค์เพราะสิ่งนั้นไม่อยู่ในบัคับัญชาของตนเพราะสิ่งนั้นมีอันจะต้องแปลป่วนไปตามสภาพของมันท่านบอกว่าสภาพมันเป็นอยู่อย่างนั้นท่านสอนอย่างนี้ ถ้าสอนเราสภาพมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเรายกอธรรมคาสอนพุทธเจ้านั่นอ่ะมพะาพิจารณาอาจจะเห็นตามเป็นจริงขึ้นมาอ๋อมันเป็นจริงอย่างนี้เองเรื่องต้องนึงเราก็เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นของแน่นอนถาวหวนมั่นคงมาบัดนี่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่แล้วเป็นจริงอย่างพุทธเจ้าตรัสเทศฐานเป็นอนิจจ์แน่นอนแท้ทีเดียว นี้เรียกว่าเราหยิบยกเอาธรรมโอสถคือคำสองของพระพุทธเจ้ามารับประทานเห็นชัดในใจของตนเองแล้วความทุกโศกกลุ้มใจไม่สบายใจอะไรต่างหายว่าปไปเลยอันนั้นเรียกว่าโลกภายใน คือโรคคือของทุกข์ความไม่สบายใจคือโรคอันหนึง่งเมื่อเรารับประทานยาขนาดนี้เข้าไปมันก็จะหายไปเอง <c oughs> หากเราไม่มีความสบายใจมีกระวลวุ่นวายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามเถอะเร า, เรายกขั้มสอนเพื่เจะบทใดบทหนึ่งขึ้นมาพิจารณา อย่างน้อยแล้วลึกถึงพระคุณของพระเจ้าเอาพระคุณคือพุทโธนี่แหละมาปริกรรมไม่จิตสรงสายออกนอกจากนั้นให้มีความรู้สึกเฉพาะอยู่ที่พุทโธแห่งเดียวพระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาว่าอนุสติ แล้วลึกถึของดีที่ว่านี้คือแลลึกถึงของดีพุทธาสติแล้ลึกถึงคุณวเจ้าวธรรมสติ ล, ลึกถึงคุณวิธรรมสังฆาสติแล้วลึกถึงคุณพระสง์ศีลาสติลึกถึงคุณศิ ล, ล, ลที่เรารักษาที่มีที่มีเยอะในตัวของเราในตัวของเรามันบริสุทธิ์หมดจดจากโทษต่างๆจากคาสติอลึกถึงการที่จากฆ่าเบิกจากธรรมุน้ำทาน เทวดาอัตติล้ลึกถึงเทวดาที่เป็นเทวดาคือเป็นผู้ดิบผู้ดีเป็นคนเราดีก็เพราะความดีที่ตายอย่ากมนุษย์ไปกินเป็นเทวดาก็เพราะความดีมีสิทธานเป็นต้นสูงขึ้นไปกับอุปสมาสติ ล, ลึกถึงคุณของความสงบที่จากกิเลสคือได้แก่พระนิพพานถึงเรายังไม่ถึงพิพากรเช้าแต่เราลึกถึงความสงบ ควาสงบที้มีอยู่ในใจของเราสักนิดมันก็เอาเถอะนี่มันสนุกสุขสบายเยอะเงี้ยความสงบไม่เห็นชัดในใจของเราเลยมันสงบมันสุขเยือกเย็นอย่างนี้แล้วก็คิดนึกไวถึงความสุขสงบที่ปราจจากิเลนที่มีกที่ทังหวงมดจะสุขถึงขนาดไหนใจของเราก็เบิกบานอันนี้ก็เรียกว่ารับทานยา คือธรรมโอสดคำสองของพุทธิจเอาใจมาไว้ในที่เดียวเท่านั้น ห, นยหายเสียจากความก็วนเดือดร้อนทั้งหมดมันก็ได้รับความสุขนี่ศาสนาเราเอาเอามาใช้มาได้ประโยชน์มีประโยชน์คุณข้างนี้แหละถ้าหากเราใช้ทงภายนอกล่ะคะนี่อย่างที่เขาใช้ใชกันอยู่ทั่วไปทั้งโลกนั่น ถ้าครูปใจมานหนักเขาไม่มีทางออกดื่มเหล้ามืนเมาซะจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันดีอะไรไนีคนไม่มีสติคนไม่รู้ตัวก็มันก็คนตายน่ะสิมันไม่ดีอะไรขึ้นมาคนไม่มีสติมันก็มันก็คนนอนน่ะสิจะมันดีได้ไงมันไม่ใช่มันหายครูมันหลับมันสติมันหมดไป มันก็เลยไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกเพราะเกิดความรู้สึกขึ้นมามันก็เท่าเก่านั่นแห ล, ละแหละหาความสุขไม่ได้หรือไม่จะนั่งก็เที่ยวเกลี่ยเขา้าโรงภาพยนตร์ดูหนังดูละครอนะไรตามเรื่อเราวสนุกเฮฮาไปมันไม่ใช่มันหายไป ต, ติดหมู่ติดคณะเพลินดูนั่นดูนี่ไปมันก็เป็นวกกลับขึ้นมาของเก่านั่น ครับจากน้นหมายว่าถึงบ้านกัของเก่านั่นแหละกลุมเเท่าเก่าถ้าเรามาเอาโนุสตีนี้ไปเครื่องอยู่ลรอกจะเข้าลงหนังลงละครจะอยู่บ้านอยู่ช่องจะอยู่ไหนอยู่ทุ่งอยู่ท้ายอยู่ไหนก็ตามเถอะอยู่ว่าดีว่ามันจะงอปเย็นอยู่ตลอดเวลามันตีกว่าหน้าหัวครับอันนี้จริงว่าธรรมโอสถเป็นของหาค่าไม่ได้ใครจะมาซื้อได้ของผนัง ถ้าหากว่าเรารับธรรมโอสถคําสองพระเจ้านี้เอาไปไว้ในใจของตนแล้พิจารณาตามที่หลวงสอนไว้เราได้รับความสุขสงบอันของหาค่ามีใดครับที่ว่าเป็นของหาค่ามีใดในที่นี้นะมาสกอใครจะมาซื้อเอาได้ยแง่เราก้มใจทุกใจใคร เ, เงินมาสักหมื่นไม่ได้หายไหมให้เศนได้ไปล้านหายไหม เราไม่ไม่หายหรอกที่ร้ยล้านมันก็ไม่หายเลยตราบใดถ้าหากเราไม่มาพิจรารณาึิ้งคำคำสองพระเจ้าโดยนายที่อธิบายมานี้หรือหัดตามในาที่อธิบายมานี้ใจเข้าถึงความสงบแล้วนะหาค่าไม่ได้คำนวนเขาว่าหาค่าไม่ได้นะ่ะเป็นคำนวนโวหารโบราณแต่ก่อน คือไม่มีใครจะซื้อได้ดีราคาไม่ได้นดั่นเองนี่จริงว่าของนี้ซื้อขายก็ไม่ได้พูดกันเดียวนี้เลยว่าของนี้ซื้อขายก็ไม่ได้ไม่ทราบไปซื้อตรงไหนไม่ทราบไปขายตรงไหนมันเกิดจากธรรมคือคำสอนของูุริเจ้าเมื่อเราเอาไปรับประทานคือมาพิจารณาตามในที่ว่านั้นจึงค่อยสงบลงไป แของมีคุณประโยชน์อย่างนี้อ น, นี้แนวว่าโดยเฉพาะในทางปฏิบัติมีคุณค่าประโยชน์อย่างยิ่งกิเลสทั้งหลายคนบางคนเคยงดหงิดฉุนเฉียววนวี่วนวายขี่โบสถขี่พูดะอะไรต่างสารพัดทุกอย่างใ้าเวลาเข้าถึงก่สงบแล้วมันเห็นความสนุก คมสุขสงบในภายในมันยิ่งกว่าที่เราจะมายุบของภายนอยอีกล้วเป็นคนพูดน้อยทําน้อยไปคิดน้อยลงไปทุกสิ่งทุกอย่างสุภาพเรียบร้อยไปหมดดีหมดสงบไปทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสภายในสงบและกิเลสภายนอกอาการกิเยาภายนอกก็เลยสงบไปตามกันเนตกลับกลายเป็นคนละคนขึ้นมา เมื่อเราได้รับทานอันนี้เหมือนกับค้นหายจากโรค ก, กับอ้นวนท่วนสมบูรณ์บริบูรณ์พิษปกติขึ้นมาเช่นนั้นเหมือนกันพุทธศาสนาเป็นของดีมีค่ามากถ้าหากเอาไปประดับคนใดขึ้นมาแล้วคนนั้นเป็นคนดีขึ้นมายัานี้ยังอย่างเดียวแต่พวกเรอยัง่มารูจัก ทำคำสองพระเจ้าและไม่รู้จักที่จะเอาทำคำสองพระเจ้าไปใช้เขางไม่ค่านะี่ไปใช้ไม่ถูกเลยเข้าใจว่าบวชเป็นเนรเสก่อนแล้วบวชเป็นพระเสียก่อนหรือเป็นชีพระขาวเสก่อนแล้วเป็นชีเสียก่อนที่จะเอาไปปฏิบัตินี่มาเข้าใจไปงแท้จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าบวชเรื่องความปฏิบัตินะไม่ได้ปม่ไดอยอย่างนั้น ไม่ได้สอนไม่ได้พูดอย่างนั้นทุกคนจําเป็นเกิดขึ้นมาจะต้องปฏิบัติด้วยกันปฏิบัติหลักธรรมคือถ้าทุกคนเห็นว่าตนจะมีโลภมีภัยคือทุกมีอยู่ในตัวของตนและวจะต้องปฏิบัติจะต้องบริโภคคือจะต้องรับทานยาด้วยกันนะไม่ได้สอนผูกขาดแต่คนใตคนเราปฏิบัติตามฐานะชั้นภูมของตนไม่ใช่หมดภาระกังวลแล้ยิ่งจะปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมอะไรหมดแล้ยแล้วปฏิบัติในเวลาที่ยังไม่ทำหมดนั่นแหละสิอย่างนี้ไปถูกตามหลักคําสอนพระเจ้าเตียนแล้วเจาเจอะไปได้ายไปถ า, ยางยาไงไปถางธรรมะเป็เตียนมันโรคกนันที่เขาถางป่ามันโรคกันสิเขาใช้มีดใช้ขวัญถางถางป่าโนโรกกันสิเขาไฟจูวก็ะจูวเนาป่านรกกันสิ ไม่จูดแล้วก็ปุ๋ยนที่แต่ขี้ฝุ่นผงมาหมดเลยที่มันปุ๋ยมันเป็นก่ไก่เป็นปุ๋ยขึ้นมาทําให้ดินที่นั้นงอกงาม mm hmm. คนเรากําลังมันรกอยู่นั่นแหละ mm hmm. กําลังมันวุ่นวี่วนวาย น, ะ mm hmm. นั่นแหละจะต้องต่อสู้พืชถากถางสงบแล้วยังก็จะทำน่นไม่ได้โดยมากคนเรามากักอ้างแต่ว่าสงบเสียก่อน สบายแต่ก่อนนี้ก็จะทำนั่นยังไม่ถูกหากมันเกิดความยุ่งและวุ่นวายเดือดร้อนเกินมาในขณะใดในขณะนั้นถ้าหากเราเหตุโทษพิจารณาให้ถูกหลักคือรับเอาทำคำสอนของเจ้าเข้าไปพิจารณาไม่จะเตียนโลกงมไปทันทีคือเห็นว่า อันนี้แหละตัวคนเราเกิดขึ้นมา น, นี่แหละเกิดจากความเกิดตัวเลี้ยวนี่แหละที่มันยุ่งอะไร น, นี่ถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่มีเรื่องยุ่งนี่จับอันนี้เบื้องต้นให้ก่อนครั้นี้ก็สาวไปลองดูเถเกิดมาครั้งแรกจะเป็นยังไงแต่คราวเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเติบโต ข, าาขึ้นมากระทั่งมีครอบครั ว, วจะมีเป็นพ่อตายไม่ยายของเติรยังไงคลนี้ กษัตริไปลองดูสิสะสมขึ้นมามองมูลากูลเข้ามาด้วยประกาศต่างๆมากเกือกลางเคยมาเรื่องกิเลสชาติภพทุกอย่างแล้วอยางนี้ปัญหาตายแล้วตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปอีกมันลดลงไปหรือว่ามันลดลงไปหรือว่า ม, มันเพิ่มพูนขึ้น ก็ลองคิดดูสิถ้าหากเราเห็นทอ่อโดนเพิ่มพูนขึ้นเวลาเนี่ยมันลังเพิ่มพูนเนี่ยก็รีบแก้ไขรีบชำระแล้วสั่งก็ลงเฉย ส, สิก็รีบทําเฉยสิมันก็ไค่อยถูกจะให้มันมีอะไรแล้วองนี้ใครทำมันก็ไม่ถูกกันทีเเนี่ยถ้าเข้าใจผิดมันเลยผิดไปหมดถ้าเข้าใจถูกมันก็เลยถูกไปหมด มีแต่อุบายที่จะชําระสาสางและแก้ไขตนนันเองไม่ต้องแก้คนอื่นไม่ต้องชําระคนอื่นพิจารณาตนเองเยู่ตลอดเวลาเห็นโทษเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้วจะพยายามงดเว้นที่จะโทษคือจะทําความสงบมันยุ่งใดเราก็ต้องสงบได้มันยุ่งเกิดจากอะไรวุ่นเกิดจากอะไรเราจะทิ้งอันนั้นแหละจะปล่อยวางอันนั้นแหละให้หมดเรื่องนั้นน่ะ ลองดูถ้าไม่มีมันจะเป็นไงมันมีมันไปอย่างงี้แหละเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีมันไปอยังไงอ่ะมันเปเครื่องวัดเทียบมาอยู่งั้นนี่ทําให้มันมีเครื่องเทียบเครืงวัดกันอยู่อย่างจึงจะเห็นคุณของพุทธศาสนาเมื่อเราทําได้งั้นแล้วเกิดศรัทธาเชื่อมันในคําสองของเราจะมากขึ้นทุกทีแล้วก็จิตก็จะตั้งมั่นแน่วแน่ ในการสร้างผล ง, งานความดีคือทำํำชำระจิตใจของนตนตลอดเวลาถ้ามีปัญหาถามอ่าถ้าเป็นงานไม่ต้องภาระไม่ต้องประกอบภารกิจ อ, อื่นๆทําเหมือนกันมันจะทําได้ไหมเรื่องนั้นยังไม่พูดก่อนได้ไม่ได้ยังไม่พูดก่อนให้ทําตรงนี้มันได้เลยก่อนแล้วลองให้มันเป็นยังไงลองดูเสก่อนแล้วจะทําได้ไหรือไม่ได้มันนั้นนั้นจะรู้ด้วยตนเอง รู้สึกได้ตนเองทีเดียวน <c oughs> ย่านี้จะไปกลัวเกรงก่อนกลัวจะทำอะไรไม่ได้กลัวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะประกอบการงานอะไรไม่ได้หรือว่ามันเป็นอย่างนี้จะทำไม่ได้จะชะสะสาระท้าทายไม่ได้ก็ เ, เลยไปคาดเนและกลัวไปข้างหน้านียครับต้องฝ่าฝันกันลงฝ่าฝันกันลงไปลองดูสิฝ่าฟันตรงเดียวนี้แหละ ลองดูเดียวนี่แหละเวลาเป็นอย่างนี้แหละอะไรทั้งหมดมันสู้ความชลาไม่ได้สักอย่างความชลาอันเดียวเท่านั้นอ่ะมีอํานาจถ้าเป็นดาบกระคมเียบทีเดียวเด้ฟาดตะพันอะไรขาดได้หมดอารมณ์อะไรก็ตามคองเครื่องยุ่งเหยิงอะไรก็ชัง่ง ตายเป็นตายกันเป็นเป็นกันลงมาจะก็หมดเรื่องนันถ้าอยู่พุกติแรบไม่ได้มีเรื่องนั้น<ม>ตวงเราจะต้องแตกต้องดับจะต้องสูงศูนย์สิ้นไปขอ ง, องนี้ไม่มีสาระเราอยู่อาศัยชั่วครั้งยกระเวลาอันี้เราได้อาศัยมันดีนะะักนะให้คิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดได้อย่างนั้นตลอดเวลเรียกว่าอนุสติ พนากรรมฐานพระพุาทาไไเจ้าชมนักชมหนาว่าเป็นผู้ไมประมาทเอาละเทสนิลบนี้